พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18กรกฎ า, าคม2555มีชื่อเรื่องว่าเหตุผลที่พาดำเนิน วันนี้เป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนเจ็ดแต่ปีนี้เป็นแปดสองหนตรงกับวันที่สิบแปดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบห้าเป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์ด้วยวันนี้ พระสงในไดรุงโบสถตอนเย็นแล้ว็ในเย็นนี้พวกเราได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามที่เคยปฏิบัติมาทุกวันพระและก็จะตลอดไปอีกพวกเราได้ร่วมกันแปดคั่มสิบห้าค่มนอกจากนั้นก็ต่างองค์ต่างปฏิบัติใครเรา แต่ว่าการสวดมนต์ไหว้พระมีไหม้ต้องมีไม่ใช่ว่าไม่สวดร่วมกันแล้วก็ไม่มีการสวดไม่ใช่เราทุกวันตามลำพังเราต้องกราบต้องไหว้ต้องทำวัดสั้นหรือจดจาร์ก็ตามแต่เหตุผลของแต่ละท่านในวันนั้นนั้นแต่ต้องทำไม่ควรขาดการทำไหว้พระสวดมนต์ ทั้งเชา้าทั้งเย็นแต่8ปดค่ำสิบห้าค่ำพวกเรามาร่วมกันไหว้พระทํำวัดเย็นแล้วก็มีการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิรวมก็ไม่ใช่ปฏิปทานะไม่ใช่ปฏิปทาของหลวงปู่มั่นและก็ไม่ใช่ปฏิปทาของหลวงตาหลวงปู่ลาด้วยแต่ทําไมพวกเราทํา พอหลวงปู่มั่นท่านก่อมีแต่สอนสอนเสร็จแล้วก็ให้พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติวิธีการนั่งวิธีการเดินทำอย่างไรองหลวงตาก็เช่นเดียวกันผมอยู่ที่นั่นผมไม่เคยได้ยินเคยเห็นหลวงตาพานั่งสมาธิและก็ไม่เคยเห็นหลวงปู่ล่าพานั่งสมาธิมีแต่ท่านแนะนำบอกกล่าวให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนั้น ให้พิจนารณาอย่างนี้อย่างนี้ให้บังคับจิตตัวเองให้อยู่ในความสงบอย่างนั้นมีแต่ท่านแนะนาแต่ท่านไม่เคยนำปฏิบัติแต่พอมาถึงยุคของเราถ้าไม่นำปฏิบัติรู้สึกว่าจะล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆคือศรัทธาคือความเชื่อตัวนี้นะ่ะแล้วสำหรับยุคของพวกเราเราจะเห็นได้ถ้าหากว่าเรา ไม่ได้นํามาประพฤติปฏิบัติไม่เคยนั่งภาวนาพวกเราเมื่อเป็นสมภารเราจะรู้ล่ะอา้าวไม่ต้องนั่งภาวนาเอาไปไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ภาวนาของใครของเราปล่อยไปทันที่เรามาจับมานั่งภาวนาพวกเราจะเห็นได้เลยไม่ได้เรื่องไปวันนั่งภาวนาเหมือนกับจับปลิงใส่ เหมือนแหค่อมเล็งอย่างนั้นนะกระดุกกระดิกกรุกกระกกริกเห็นได้ชัดสแสดงว่าไม่เคยนั่งภาวนาพูดอย่างนั้นได้ถ้านั่งภาวนาคนนั่งภาวนาเนี่ยจะต้องนิ่งจะต้องอยู่ในความสงบจะไม่ง่วงนอนอีกต่างหากจะอยู่ในความสงบนิ่งแต่นี้พอเห็นแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยผมเองเนี่ยที่พูดให้ฟังเนี่ยผมเองมาอยู่ใหม่ใผมไม่เคยนั่งภาวนา ย็ดแนวแถวของหลวงตายึดแนวแถวของหลวงปู่ล่ามีแต่ว่ายพระสวดมนต์แล้วก็มีอะไรก็อบรมพูดจากนั่นก่อนจบแล้วก็แยกย้ายกันอบรมเหมือนหลวงตาแต่เราก็ไม่ได้เรียนแบบหลวงตาหรอกแต่นําปฏิปทาของหลวงตามาใช้แต่พอทำไปแล้วก็ทดสอบดูสิทดลองนั่งภาวนาดูสิ เอ่พอนั่งภาวนาเท่านั้นแหละเห็นฤทธ์เลยโอ้โขขนาดนี่แล้วพระในยุคนี้สมัยนี้จากนั้นมาหลวงพ่อก็เลยนผานำไหวพระเสร็จแล้วอบรมเสร็จแล้วต้องสาธิตในการนั่งภาวนาแต่ขนาดนั่นก็ยังยสับ ป, ปะงกงกง้องเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ถ้านั่งตามลำพังแล้วจะขนาดไหน เอามาวิเคราะห์เดี๋ถ้าว่าอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยังทําขนาดนี้ยังบังคับตัวเองไม่ได้ขนาดนี้ถ้าอยู่ตามลําพังแล้วจะขนาดไหนหอันนี้มันก็ต้องดูกันดูในปัจจุบันแล้วก็เปรียบเทียบไปในอนาคตนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่นั่งภาวนาก็าดีไหว้พระสวดพนสวดมนต์รวมกลุ่มก็ดีมันเกียงเป็นการประยุกข์ขึ้นตามการตามสมัย แต่องค์หลวงปู่มั่นจริงๆมีแต่ท่านสอนเพราะสมัยนั้นศรัทธาคือความเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงท่านสั่งยังไงเป็นวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ลูกศิษย์ลูกหานํามาประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังนั่งภาวนาอยู่ตามลําพังถึงจะท่านไม่มาควบคุมท่านจะไม่ไมานั่งอยู่ด้วยแต่ตามลําพังต้องทําทําด้วยความจริงจังทำด้วยความจริงใจ ที่ได้อบรมมาแล้วนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านฟังไว้ที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ผมไม่รู้ไม่ใช่ผมไม่สังเกตผมสังเกตหมู่พวกเพื่อนเพราะทุกองค์ที่เข้ามาอยู่กับผมเหมือนอวัยวะของผมผมมองผมดูแล้วก็ดูอากับกิริยาด้วยไม่ใช่ดูธรรมดาแต่ไม่ใช่ มีแต่พวกท่านดูอาจารย์อาจารย์หลับหูหลับตาไม่ใช่นะอาจารย์ก็มองพวกท่านเหมือนกันอนาคตจะเป็นยังไงองค์นี้จะก้าวหน้าไปถึงไหนกิริยามารยานอย่างนี้จะเอาตัวรอดไหมอย่างนี้ถ้าเอาตัวรอดตัวรอดขนาดไหนจะเป็นตัวอย่างของหมูพกเพื่อนได้ไหมเนี่ยจะจะเป็นผู้นำของหมูได้ไหมต่อไปภายภาคหน้าเป็นที่น่าเชื่อถือไหมเสี่งเหล่านี้อาจารย์ต้องได้ดู ดูสิถ้าไม่ดูสิทธ์แล้วจะดูใครพอพูดออกไปแล้วก็ต้องฟังต้องดูต้องดูผลงานเมื่อแนะนำสั่งสอนออกไปแล้วก็ต้องดูผลงานว่าได้ผลขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนที่เราสอนไปนี่ฟังไปแล้วทะลุหูซ้ายหูขวาไปมีแต่เข้ามากเพื่ออยู่ไปเปน็นวันวันเห็นหมูอยู่ก็อยู่ไปเห็นหมูกินก็กินไป ใยใจในการศึกษาไยใใจในการประพฤติปฏิบัติอยู่ตามหมู่ตามเพื่อนบวชลักบวชลีบวชหนีสงสารบวชพรานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาคนโบราณก็แต่งเป็นโครงขึ้นมาบวชลักบวชลีก็คือหนีไปบวชหนีโทษหนีคดีหนี นี่นี้ศีลไปบวชบวชรักบวชรีบวชนี้สงสารแค่แค่ว่าเห็นโทษในวัตะสงสารแล้วก็เข้ามาบวชกระทอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะบวชนี้สงสารบวชพรานเข้าสุขนั่นคือเมื่อเป็นฆราวาสไม่มีอันจะอยู่จะกินบวชเข้ามาพอได้อยู่ได้กินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้แปลว่าบวชพรานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนเห็นเพื่อนบวชก็บวชไปอย่างนั้นแหละไม่มีจุดหมายปลายทาง ไม่มีไมได้เห็นความสำคัญอะไรเห็นว่าเขาว่าบวดได้บุญแต่ถ้าตัวเองไม่บวดก็เหมือนจะเสียเปรียบเขาก็เลยบวดไปอย่างนั้นบวชไม่มีไม่มีจุดหมายปลายทางอันนี้ว่าบวชสนุกตามเพื่อนตัวแย่ที่สุดก็คือบวชเพื่อนศาสนาบวชเพื่อนศาสนานี่ตัวเองยังไม่ใส่ใจั้งไ ม, ไม่ตั้งใจแล้วยังทำความชั่วช้าเสียหายอีกสิ่งไหนที่มันเร็ว ที่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวแล้วยังไม่นำประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองแล้วยังชักชวนให้คนอื่นทําอีกทาแบบความเร็วความชั่วของตนเองเลยยังบอกอีกว่าองค์นั้นเป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นอย่างนั้นทะเลาะบอกพวกที่เข้าใหมย่ยังไม่รู้อิโนอิเนกันนั่นแหละแสดงว่ามันมันเร็วในใจทำให้หมู่เพื่อนแตกแย ก, กอีกต่างหากอันนี้เร็วพระ ประเภทนี้พระเพื่อนศาสนาเดี๋ยวว่าทําสงให้แตกแยกจัดประเภทสังฆเภทอีกต่างหากถ้าพระประเภทนี้ระวังนะพวกท่านทั้งหลาย อ, อประเภทอย่างนี้นะคือประเภทที่ตกนรกในง่ายๆเดี๋ยวว่าสังฆเภทดูโ ย, ยงสงให้แตกกันคําว่าสงคำนี้ไม่ใช่ว่าสงสีรูปนะองค์สององ ก, ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นต้องระวังเข้ามาต้องระวังในคําพูด วาจาที่จะพูดอะไนที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จะเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษเนี่ยพวกเราต้องฟังพูดด้วยความจริงด้วยความเป็นอัดเป็นธรรมไม่ใช่หลวงปา่าเขาจะพูดไปเลยพูดพร่ำไปอย่างนั้นเรียกว่าปากเป็นบาปเพราะนั้นให้เราบัดระวังนะแล้วก็นี่็จวนจะเข้าพรรษาเขาขอให้พระพี่เลี้ยง ช่วยกันดูนาที่จะบวชอันนี้ก็คือทายาทของเราหลวงพ่อรับเข้าไปเพื่อเป็นทายาทต่อไปภายภาคหน้ากันนี่แหละพวกท่านเหล่านี้แหละจะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสมัมเณรถ้าพวกเราไม่ปลูกฝังอุปนิสัยเอาไว้ ต่อไปภายภาคหน้าพระพุทธศาสนาก็จะเลียวแหลมไปเรื่อยๆเพราะนั้นถึงจะยากลําบากยังไงเรากควรจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาเพื่อเห็นแก่เป็นทายาทของพวกเราเออเป็นผู้สืบทอดต่อไปภายภาคหน้าแต่พวกที่เข้ามาบวชก็เหมือนกันให้ต้องอกตั้งใจในการบวชจะให้เหมือนเป็นคารวะมันก็ไม่ได้ เป็นกราวาส์นี่น็คืออยู่อีกในระบบนึงมาปวดเป็นพระเนี่เราอยู่อีกระบบหนึ่งระบบพระสงฆ์อยากจะให้เหมือนฆรัวา์มันกอบไม่เหมือนคราวาสถ้าเหมือนคราวตสจะว่าพระสงฆ์ได้อย่างไรอันนี้คือพระสงฆ์ต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องอยู่ตามหลักพระธรรมวินัยกูบายจานันอย่างผมเนี่ยอายุมากกว่าพวกขันทังหลายผมก็ยังอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัย ไม่ได้อยู่ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้อยู่ตามที่หลวงพ่ะวินยัยไม่ได้บัญญัติไว้ต้องอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นการบวชของพวกเราเนี่ยก่อนเพราะพระไตรปิกของเราเป็นกษัตริย์กฎระเบียบของกษัตริย์ก็ต้องมีต้องมีวี่แวว เพราะกษัตริย์ก็ต้องสอนแบบมารยาทของกษัตริย์อย่างพวกเราทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษานะอย่างเสกียวัดเนี่ยผมมาเอามาอ่านมาศึกษาเลยแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทมพิัยของพระพุทธเจ้ากฎกฎหมายกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสูดสูดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียรินฟีปากเราไม่ฉันทํากับพุ่งแกมให้ตุยเราไม่ฉันเมื่อคำข้าวอยู่ในปากเราจักไม่พูดอันนี้คือหลักพระธรรมวินัยสินสองรอยี่สิบเจ็ดของพระเนี่ยเถ้าถอนหมดที่ออกที่ผมพูดเนี่ยไม่ครบศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดพระก็ไม่ครบ นี่แหละคือศีลของสองร้อข้อของพร ะ, ะเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่โยนคำข้าว ข, ข้อปากเราจะไม่ทํากระพุ้งแก้มให้ตุยล้วนแล้วแต่เป็นมารยาทของผู้ดีทั้งนั้นนี่แหละคือมารยาทของกษัตริย์ของพระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นนํามาใช้ยุคสมัยนี้ก็ยังทันสมัยยังถูกต้อง เราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางเราจะไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาทหรือในที่นั้นๆเพราะนั้นเห็นไหมหลวงพ่อเวลาจะลุกผวกพระทุกองค์เวลาจะลุกจากที่นั่งของตัวเองต้องมองให้รอบข้างให้รอบด้านแล้วก็เช็ดน้ำเก็บเมล็ดข้าวใส่กระโถนให้เรียบร้อยก่อนที่จะลุกขึ้นไปเพราะเหไรเพราะวินัยศีล เราจะไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นๆคือนี่ที่นั้ น, น, นคือบริเวณเพราะนั้นต้องทำความสะอาดนะเวลาเราจะลุกขึ้นจากที่นั่งทุกองจะไม่เป็นภาระของพระเวรทาว่าพวกเราตังลุกขึ้นมาแล้วไม่รู้จะเก็บไม่รู้จะเก็บอาสนะของตนเองไม่รู้จะเก็บทำความสะอาดที่นั่งของตนเองพระ ผูเฝ้าศาลาก็เป็นเรื่องใหญ่เลยท่านกว่าจะทำความสะอาดเรียบร้อยเช็ดทุกแห่งแต่ถ้าว่าทุกองค์นั่งอยู่ที่ใดทำความสะอาดที่นั่นมันก็ไม่มีภาระของผู้ที่ดูแลนี่แหละสรุปแล้วก็คือศิลศิลและวินัยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าศิลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้น เมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วธรรมและวิัยนั่นแลจะเป็นาศาสดาของพวกท่านทั้งหลายท่านยึดหลักธรรมวิไนเป็นาศาสดาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ใช่นะ หลักพระธรรมวินัยนั่นแหละคือพ่อแม่ของพวกเราให้พวกเรายึดมั่นในหลักธรรมคำสอนยึดมั่นในหลักพระธรรมวินยัยจะอบอุ่นทั้งด้านจิตใจเพราะาเรายึดตามธรรมคำสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยนี่แหละอันนี้ก็คือพวกที่เราบวชเข้ามาเพราะพระเจ้ทาท่านบวชท่านบวชอย่างไร ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอายุของท่าน29ปีถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นอายุทีน่หนุ่มแน่นเป็นพร้อมที่จะก้าวกระโดดในมวลมนุษย์ชาติอายุขน29ปีกำลังมองโลกในแง่ดีกว้างขวางแต่พระองค์มองโลกมีแต่ กองเพลิงมีถึงเรื่องหายนะมีแต่กองทุกเพราะเหตุไรเพราะท่านมองเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคนาญาติของพระ อ, องค์ลมหายตายจากเป็นร ะ, ระดับระดับมาต่อไปก็คงถึงพระ อ, องค์แน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละคือพระ อ, องค์ไม่ไว้ใจในชีวิตของตนเองไม่ไว้ใจในการเป็นอยู่ของตนเองมีวิธีไหม มีที่จะออกจากไม่เกิดไ ม, ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีวิธีไหมต้องมีต้องมีวิธีต้องมีวิธีกรรที่จะติดลเล็ดล่อออกจากไม่ไม่ตายเราจะไปส่อแสวงหาหนทางที่ไม่ตายนี่แหละพระพุทดธดเจ้าจึงในเสียสละออกจากเบียงวังเอ่ หนีไปกลางคืนไปกับนายช น, นะกับมา้าขันตะกะขี่ออกไปแบบถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับไม่มีจุดหมายปลายทางลักษณะอย่างนั้นท่านจะไปรู้ได้ยังไงแต่ขนาดสวนอุทยานท่านก็ยังไม่เคยไปคืนวันนั้นกับพอออกจากวงเวียงวางแล้วก็ขึ้นหลังมานะ้าเนี่สุดแท้ะม้าจะพาไป คงจะมีเทวดาเป็นผู้พาไปพาดาเนินถ้าไม่เคยไปที่ไหนสิทธัตถะขนาดสวนอุทยานพระ อ, องค์ยังไม่เคยไปตามประวัติจากนั้นพระ อ, องค์ก็ขึ้นม้าตะพัตตะพืนหา่างกรุงกบิลพัททุกวันนี้เขาบอกว่าทาวัดเป็นหลักกิโลออกไปประมาณ200ยกว่ากิโลจากเมืองกบิลพัท จนถึงแม่น้ําอโนมาณทีแขวงกุงราชคือห่างกันขนาดนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าหนีออกไปบวชพอไปออกไปบวชแล้วท่านมีใจอย่างไรท่านคิดในใจของท่านเลยเราจะไม่หโหรับไปเป็นคารวาตอีกตายยอมตายข้างหน้าเราจะต้องเอาให้ได้เราจะต้องพยายาม หาทางพ้นทุกข์ให้ได้อันนีค้คือในพระไทยของศทธษะจากนั้นพอมานั่งที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีก็บอกให้ในายฉันนะกลับกับม้าขันธากะาพระองค์กระปรงพระเกษาคือโป่งผมจากนั้นก็ใส่ชุดเครื่องนักบวชจากนั้นก็เป็นคนขอทานเหมือนขาพวกเราท่าน ถ้าจะว่าไปแล้วใครจะรู้ท่านว่าเป็นศีรษะห่างไกลถึงสองร้อยกว่ากิโลขนาดนั้นนะใครจะมีโทรศัพท์วิทยุเหมือนทุกวันเลยไม่มีสื่อไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีข่าวอะไรทั้งหมดใครเป็นใครก็ไม่รู้ออกมาบวชอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็เป็นคนขอทานยิ่งกว่าพวกเราใช่อีกพวกเรานั้นยังมีวัดมีวามีครูบาอาจารย์มีศรัทธาญาติโยมมีมดมีหมอ มีปัจจัยสี่ของบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์มีโกโ ก, โก้กาแฟอีกต่างหากอาหารการบริโภคก็ไม่ถึงกับขาดสนถึงจะไม่เหมือนกับตัวเองต้องการเหมือนกับสั่งซื้อซื้อมารับทานเหมือนเราเคยสั่งแต่ถึงยังไงก็มีอยู่มีกินอาหารพร้อมที่จะทานได้กินได้ยังซีบให้เป็นไป นี่แหละพวกเราถ้าจะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้ากับสิทธัตถะแล้วต่างกันคนละระดับกันเลยในการเป็นอยู่แต่นี้พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์เนี่ยการเป็นอยู่ของกษัตริย์กับเป็นการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยเปรียบเทียบกันดูสิท่านมาเสียสละขนาดนั้นนะเราคิดดูสิว่ากับเราเนี่ยมันเหมือนกันไหมแต่ว่าการเป็นอยู่เหมือนกันที่ว่าแต่ความรู้สึกนึกคิดของกษัตริย์ ท่านอยู่ในเวียงวังท่านมีความสุขขนาดไหนบริษัทบริวารของท่านแต่มาอยู่แบบอนาถานี่มาพิจารณาถือว่าอนาถานี่แปลว่ามาคล้ายๆว่าเหยียบย่ำในใจของท่านมากพอสมควรพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่ปัจจัยสนี่แหละแต่พระ อ, องค์ทำไมจึงทำพระ อ, องค์คิดดีแล้วท่านไม่ได้ตาหนิคใครแต่ท่านก็บอกว่า เออสุกหนอเหมือนกับนกที่ออกมาจากกรงได้ปลีกออกมาจากกรงได้เป็นอิสระเหมือนกับคนป่วยหายจากป่วยเหมือนกับคนที่มีหนี้สินหายหมดหนี้สินเราเป็นอิสระเราเป็นไทยแกตัวเองทำไมมีเป็นอิสระขนาดนี้ เราจึงไม่ทำไมมีความสุขถึงขนาดนี้มีความสุขจริงๆเหมือนกับคนที่เป็นโรคหายจากโรคเหมือนกับเราเป็นหนี้หายจากหนี้จากนี้จากหนี้จากสินเหมือนกับเรานี้จากออกมาจากกรงขังเป็นอิสระเป็นไทยเนี่ยพระองค์คิดอย่างนั้นนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายบางคนเข้ามาบวช ใหม่ๆก็ทำท่ากระตือรือร้นอยากจะบวชเนพอเขามาอยู่เข้ามาแล้วจิตใจมันห่อเหี่ยวว้าวีอ้างว้างเงียบเงาเออซึมเศร้าไม่เหมือนอยู่บ้านเนี่ยจะเหมือนใจอยังไงพอเรามาบวช เ, เราต้องทำตนปรับใจของเราเลยให้เข้มแข็งต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงหมู่เพื่อน ที่มาอยู่ด้วยกันมาจากจารตุรทิศมาจากทุกแห่งทุกคนมาเพื่อปฏิบัติธรรมจากนั้นก็สนใจเรื่องธรรมฟังเรื่องธรรมฟังเรื่องศีลเรื่องธรรมฟังแล้วก็ศึกษาเรื่องภาคปฏิบัติเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเราไม่ได้มาอมรละทมทุกอยู่ตามลำพังไม่ได้มาคิดเออละเหยลอยลมไปเรื่อยจนเอามื เขาเอาฝ่ามือมากระตุกหลังยังค่อยจะดงเหือกข้าเป็นใครอยู่ที่ไหนฮะถึงขนาดนัานทาไมไหวนะพวกเราท่านทั้งหลายนะต้องปลุกจิตปลุกใจของตัวเองนะให้กระตือรือรนะ้นให้สู้นะอ่านี่แหละคือนักบวชชีวิตนักบวชต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าเอเป็นผู้าพาพาดำเนินมาจากนั้นพระเจ้าแผ่นดิษฐ์มีกี่ยุคกี่สมัย อที่ออกมาบวชมาถึงพวกเราเราก็ได้บวชบวชอยู่อย่างนม่เราทุกจนอะไรมีแต่ทุกจนมันไม่ไม่อิสระเหมือนกับกิเลสแต่ก่อนเก่าเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่บัดนี้มันผิดธรรมวินยัยมีธรรมวินัยเป็นเครื่องครอบงามเป็นเครื่องพาดําเนินผลงานการที่จะทําให้ผิดธรรมวินยัยไม่ได้อันนี้ตรง ดูในกอบหลักพระธรรมวินัยบรับธรรมวินัยนี่เราต้องศึกษาจากนันกก็มูพวกเพื่อนพาดำเนินอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะผู้ที่จะเข้ามาบวชต้องเข้มแข็งสรุปแล้วมีขันติคือความอดทนเป็นพื้นฐานเป็นนักพจนักบวชต้องมีความอดทนอยากจะกินไม่กิน อยากจะนอนไม่นอนอยากจะพูดไม่พูดทำไมไม่ถูกกบบพระธรรมวไนัยอยากจะร้องลําทําเพลงห้ามไม่ให้ทําแต่มันขี้เกียจไม่อยากจะทํบาบังคับให้ทํบาบังคับอะไรบังคับเรืงจงกรมบังคับภาวนาบังคับไม่คาบริจํรบังคับท่องหนังสือบังคับในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ถูกต้องตามทํานองครองทำนี่แหละ ให้พวกเราบังคับตนเองนะแล้วก็ศึกษา ต, ตัวไหนที่มันไม่ถูกต้องบังคับไม่ทำไม่พูดไม่คิดอีกต่างหากนะอนาตจึงจะเป็นนักพจนักปวดที่ดีได้นะพวกเราท่นั้งหลายทุกหลานทุกองค์ต่อนนี้ไปเดี๋ยวท่านชิดเปิดเ p 3มพสามให้หมู่ฟังไว ทดลองนสิฟัง MP3 แลีวเป็นยังไงวะแต่อย่าไปเอากันยาวมากเกินไปนะ